ความสำเร็จรวมทั้งความสุขหรือว่าจุดหมายที่สูงส่งถ้าหากชีวิตขาดความสมดุลแล้วนี่นะมันก็ลำบากนะก็ต้องเรียกว่าไปถึงจุดหมายปลายทางได้ยากความสมดุลของชีวิตคืออะไรก็เช่นความสมดุลระหว่างกายกับใจถึงแม้ว่า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 หลายคนนี่ทุ่มเทกับงานการการทำมาหากินร่ำรวยมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้า น, านแต่ว่าครอบครัวย่ำแย่บาดหมางหรือว่าเห้นห่างกันลูกก็เหินห่างกับตัวเองหรือว่าครอบครัวแตกแยกอันนี้ก็ ไม่เรียกว่าเป็นชีวิตประสบความสําเร็จนะเราตัวอย่างมีเยอะนะคนที่ร่ํารวยแต่ว่าครอบครัวแตกแยกหรือไม่แตกแยกก็เต็มไปด้วยปัญหาลูกติดยาหรือว่าลูกไปมั่วสมทางเพศตนะิดติดเอ็ดอันนี้ก็เพราะาขาดความสมดุลระหว่างการทํางานกับครอบครัวสมดุลระหว่างงาน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 หัวใจหรือว่าอารมณ์หรือว่าจิตใจนี่มันไม่มีกำลังมันไม่มีเรี่วไม่มีแรงที่จะผลักดันชีวิตของเราหรือการกระทำของเราให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องรู้ว่าอ่ะนะกินเหล้าไม่ดีอ่ะรู้ว่าการกินเหล้าไม่ดีนะ<า>การเที่ยวเตร่ไม่ดีนะการมีกิ๊กไม่ดีนะแต่ว่าห้ามใจไม่ได้ใจมันไปข้างหน้าแนละ้ว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 ใจมันไม่ไปอนสิ่งดีกลับไม่ทำในสิ่งไม่ดีทั้งๆที่รู้มันไม่ดีกลับทำเช่นอย่างที่ยกตัวอย่างกินเหล้าสูบบุหรี่เทีเ่ยวเตเรหรือว่าบางทีอย่างเช่นการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็รู้ทั้งรู้นะว่าการกินอาหารขยะนี่มันมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบางคนก็รู้ว่าออน้าอดลมนี่มันไม่ไมดีนะ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 มีบางรายนะเขาก็พยายามนะพยายามหาตัวช่วยที่อเมริกาเนี่ยมันมันมีคนจำนวนมากเลยเป็นเป็นโรคเขาเรียกว่าติดเสพติดการช้อปปิ้งนะเ้าเรียกว่าช็อปช็อปฮอลิคนะช็อปฮอลิคคือว่าช้อปปิงนะปป้งบวกแอลกอฮอลิคนะปปนะปปนะคือพวกที่ติดการช้อปปิ้งมากเห็นโฆษณาตามโทรทัศน์หรือว่าตามหนังสือนิทยสตรหรือ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 มีบัตรยี่สิบใบนี่ไม่รู้เท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็รู้นะว่าโอยไม่ไหวแล้วคนระอบครัวก็ทิ้งแล้วเพราะการเป็นหนี้มากมายผัวทิ้งบ้างเมียทิ้งบ้างนะก็รู้สึกแย่มากอยากจะเลิกแต่มันก็ห้ามใจไม่ได้สักทีนะเห็นทีไรก็อยากไปซื้อสุดท้ายก็ทำยังไง ร, รู้ไหมเขาก็เอาบัตรเครดิตนี่แหละ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 ต้องรอให้น้ำแข็งละลายก่อนนะกว่าน้ำแข็งจะละลายก็ประมาณ10นาทีสินาทีถึงจะเอาเครดิต ก, การไปใช้ได้แต่ถึงตอนนั้นมันก็ความอยากมันจะลดลงและได้สติขึ้นมาจะเอาแก้วน้ำนี่ไปใส่ไปใส่ไมโครเวฟนะเพื่อให้มันละลายเร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวเครดิตการเสียนะเจอความร้อนมากๆนี่มันมันเสียนะมันเป็นแถ็บได้เลยนี่คือวิธีการนะคือเรียกว่า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 น่าขับไหจะหน่านั่งมนะแม้แต่ลงพ่อคุณก็คงไม่กล้านั่งรถแบบนี้นะรถที่เร็วแรงแต่ไม่มีเบรกชื่อคนสมัยนี้เหมือนคนที่เก่งในเรื่องการปีนปี น, ป, น, ป, นปีนต้นมะพร้าวหรือปีนต้นไม้แต่ลงไม่เป็นนะเหมือนก็เครื่องบินที่สามารถทะยานขึ้นฟ้าได้ได้สูงแต่ว่า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 อดทนนะต่อความเบื่อหน่ายแทนที่จะไปเล่นไปเที่ยวไปกินต้องมานั่งฝึกสมาธิให้ได้ครบตามกำหนดเวลาแม้แต่ห้านาทีเนี่ยก็มีคุณค่ามีความหมายนะอย่าไปประมาทนะไอ้แค่5นาทีถ้าทำเป็นประจำนี่มันทำให้มีกำลังมากกิจมีกำลัง เคยมีสมัยที่หลวงปูด่ดูพรหมปัญโยนะวัศแกริวิท ย, ยายท่านมารณาพาไปหลายปีแลท่านเป็นเกจิอาจารย์รยที่มีชื่อมากคราวนึงก็มีชายหนุ่มสองคนนะมาหาท่านสองคนที่เป็นเพื่อนกันนายกอ่อกับนายขอนายกอ้อนี่ก็พาเพื่อนซึ่งซึ่งติดเล่ามาด้วยพอมากราบหลวงปู่เสร็จนะนายกอก็บอกเพื่อนซึ่งติดเล่าว่าเนี่ย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 ฉันไม่ว่าแต่ว่าให้ทาสมาธิให้ฉันได้ไหมห้านาทีก็พอห้านาทีแค่นั้นเหรอชายผู้นั้นก็เลยบอกว่างั้นได้เราเพลินคี่เราคนนี้แกเป็นคนที่ตั้งใจจริงนะคือรับป่าหลวงพ่อแล้วก็ต้องพยายามทำ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 เขาชั้นปฐมมัธยมเข้ามาเทเลแล้วก็ทำงานเนี่ยเราว่าเด็กกลุ่มที่สามารถหักห้ามใจได้อดทนรอคอยได้เนี่ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะดูในแง่ของคะแนนการเรียนนะอย่างเช่นนะเาเพบว่าเด็กที่อดทนได้ถึง15นาทีเนี่ย พอพอจะสอบข้อมาทาลายเนี่ยข้อสอบกลางที่ผู้น่สอบเนี่ยมันจะสูงกว่าตัวเลขเฉลีย่ยนะถึง200รกว่าคะแนนเนี่ยข้อสอบกลางที่สราบใช้เข้ามาทาลายก็เรียกว่าแซทสกอเด็กกลุ่มนี้นี่พอโตขึ้นเนี่ยทำได้สูงกว่าคนทั่วไปถึง200คะแนนนอกจากเรื่องการเหลือสุขภาพก็ดี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 อชอบกินอาหารขยะพวกเนื้อนมไข่แฮมเบอร์เกอร์วันนี้ชอบนักแหลห้ามใจไม่ได้คือก็เห็นความแตกต่างเลยของเด็กสองกลุ่มนี้เมื่อโตขึ้นนะมันก็เลยเป็นการทดลองที่มีชื่อเสียงมากถ้าเราไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปเปิดไปคลิกวิกิพีเดียเนี่ยก็จะเจอนะที่เขาเรียกว่าสแตนฟอร์ดม r ร h ชเมลโล e เอ็กซ์เพริเมนต์อันนี้มันเป็นมันชเห็นเลยว่า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 สิ่งร่อเราได้มากนะและมันจำเป็นมากสำหรับสังคมสาหรับคนในยุคนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งร่อเราเยาวยวนมันเยอะมากสิ่งยัวย่วยุก็มีนะยัวย่วยุให้โกรธนะยั่วยุให้เกลียดกันก็เยอะสิ่งที่ยัวย่วย้าร่อเราให้อยากก็เยอะนะแลเดี๋ยวนี้เด็กหรือแม้กระทั่งวัยรุนร่นรวมทั้งผู้ใหญ่ก็ติดอะไรต่างๆมากมาย สมัยก่อนไม่เคยมีก็ติดนี่ก็ติดกันเยอะเช่นติดเฟ e บุ o k ติดลน์ติดเกมออนไลน์สมัยก่อนไม่มีนะไอ้ไอการติดแบบนี้เพราะมันไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้ไม่มีเรื่องแบบนี้การติดเล่าติดบุหรี่นี่มันมันก็ไม่ได้ลดลงนะแต่ว่าติดอย่างอื่นมากมายเข้ามาอีกนะแลก้ก็เลยการเรียนก็ไม่ประสบความสาเร็จการทำงานก็มีปัญหา หรือว่าสุขภาพก็ย่าแย่ด้วยดังนนเรื่องการของการฝึกจิตให้ให้ให้เข้มแข็งมีกําลังเนี่ยมันสาคัญมากนะมันจะเป็นส่วนที่สร้า ง, ส, างสมดุลระหว่างความที่ความคิดเก่งความรู้จักคิดคิดเก่งคิดเร็วคิดรั่วรั่วอะไรเก่งอะไรดีแต่ขณะขณะเดียวกันจิตใจนี่ก็สามารถที่จ ะ, ะมีกําลังขับเคลื่อน ไปในทางที่ถูกต้องได้ให้การทดลองที่ว่าเนี่ยของมาเรียนสแตนฟอร์ดเนี่ยมันเป็นเรื่องการเรื่องการให้ความสำคัญการเลี้ยงดูเด็กนะให้มีความรู้จักอดทนรอคอยแต่ถึงแม้โตแล้วนี่ก็ยังทําได้นะยังทําได้มันก็มีนักฝรั่งอยู่2คนเนี่ยเขไปไปทำการทดลองเมื่อไม่เมื่อสักเจปีที่ที่ผ่านมานี้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 แล้วก็ออกกาลังกายมากขึ้นด้วยนะทั้งที่ว่าไอ้คอร์สนี่มันไม่มีเรื่องออกกาลังกา ย, ยแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยพอผ่านคอร์สเนพอผ่านคอร์สนี่ไปแล้วเนี่ยไอ้ช่วงระหว่างคอร์สนี้ด้วยเนี่ยออกกาลังกายมากขึ้นนะใช้เครดิต ก, การน้อยลงทั้งที่มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการการอบรมในคอร์สเลยก็ก็มานั่งพิจารณาว่าเอ้ไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้น ค, คล้ายๆกันเลยทั้งที่ผ่านกิจกรรม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 25มีนาถึง7เมษาไอเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนนะอยากจะไปเยี่ยมพ่อแม่แต่ว่าขอขอก่อนนะไปงานสับดาังสือก่อนหรือว่าอยากจะทำสมาธนะิแต่ว่าตอนนี้คืนนี้มีม i ดไนท์เซล์นะต้องไปก่อนไอสิ่งที่มันด่วนมันดึงเวลาเราไปมันดึงความสนใจของเราไปทำให้เราไม่มีเวลาที่จะทำในสิ่งที่สำคัญแต่มันไม่ด่วน ทังที่สิ่งที่ด่วนที่ดึงเวลาปอา จ, จะไม่สําคัญก็ได้อันนี้เพราะว่าเราเนี่ยนอกจากจะไม่มีวินัยนะแล้วเนี่ยมันยมัมีความไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งพอที่จะต้านทานให้สิ่งรบเ ร, าเราเ้าเย้ายวนหรือว่าเสียงเรียกร้องของกิเลสได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีนะมีการฝูกจิตอยู่สม่ําเสมอนะทำสิ่งดีๆแม้จะไม่นานแต่ทําทุกวันออกกําลังกาย ทำเวลาไม่นานแต่ทําทุกวันอาจจะสิบนาทียี่สินาทีนั่งสมาธิ5นาทีแต่ถ้าทําทุกวันเนี่ยมันมีกําลังนะสามารถที่จะทําให้เราหัากห้ามใจนะหรือว่าอดใจที่จะทําสิ่งที่ไม่สมควรได้การทำสมที่พอนะก็เป็นอันหนึ่งนะที่ถ้ากว่าเราทำบ่อยๆนะทำไปเรื่อยๆ เราจะไ ด, ได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ทั้งขันติเอืความอดทนรวมทั้งวิรยิยะความเพียรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราให้เวลานะแม้จะเพียงเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าจะมีมันจะมีพลังมากก็ฝากเอาไว้นะคำนี้พูดกันเพียงเท่านี้กลับมาพร้อมกัน